ข้าแต่พระบิด ja าเจ้าสารเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับในเช้าวันนี้ที่หลายคนนั้นได้มีโอกาสได้มีชีวิตมีลมหายใจในการที่จะใช้ชีวิตนี้นมัส ก, การสรารเสริญออกพระนามของพระองค์ในการนมิสการพระเจ้าในเช้าวันนี้และในการที่จะดําเนินไปตามน้ำพระทัยตามมั่นคาที่พระองค์ทรงมีแผนการที่ดีสําหรับชีวิตของหลายทุกคนแผนการที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของมนุษย์นั้นเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อให้เกิดความหวังใจ ขอพระเจ้าสบถุที them, day, <the> <out> ่จะอวยพรฤทธิจักทุกฤทธิ์จักธรรมะทุกธรรมะที่จะมีการเผยพระเจ้าธรรมของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่ให้ทุกสิ่งเหล่านี้จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์และให้การนมัสการทุกที่ที่เกิดขึ้นนี้เป็นการนมัสการโดยจิตวิญญาณและความจริงจึงขอฝากเวลาในการนมัสการนี้ไว้กับพระองค์ให้ทานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับในพระธรรมวิบอ์ส่วนใหญ่ก็จะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เป็นคําทํานายหรือเป็นเรื่องที่อยู่ในอนาคตนะครับ ในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวถึงวันที่ทุกคนเนี่ยจะต้องไปปรากฏตัวต่อหน้าพระพักของพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์มีจำนวนคนมากมายนับไม่ถ้วนเลยนะครับจากวัชนาธรรมที่ได้อ่านไปนะครับมาจากทุกเชื้อชาติทุกภาษาทุกเผ่าพันธุ์ทั่วโลกพระคัมภีร์ตอนนี้แสดงให้เห็นถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ทรงต้องการจะให้คนทั่วโลกทุกคนทุกหย่อมญ้าได้รับความรอด ได้รับชีวิตนิลันและได้อยู่กับพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์ตามพระสัญญาและตามพระหมหาบัญชาที่พระองค์ได้ทรงมอบหมายให้กับเหล่าสาวกและมอบหมายให้กับเราทุกคนที่ให้ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์จนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อนำความรอดไปถึงทุกคนเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าจึงมีความหวังว่าโดยความเชื่อและวางใจในพระเยซูทาให้เราเนี่ยจะได้รับ การต้อนรับในแผ่นดินสวรรค์และพระคัมีร์ตอนนี้ได้ยืนยันความจริงในข้อนี้เพื่อให้เราพิจารณาว่าเราจะมีส่วนในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้านั้นได้อย่างไรนะครับในประการแรกความรอดนั้นขึ้นอยู่กับพระเจ้าและพระเจ้าประทานความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ความรอดนั้นขึ้นอยู่กับพระเจ้าและพระเจ้าทรงประทานความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์นะครับขึ้น จากข้อที่เราได้อ่านไปขึ้นอยู่กับพระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระที่นั่งและขึ้นอยู่กับพระเมสโปดกพระเมสโปดกก็คือองค์พระเยซูคริสต์ที่ทร ง, งเป็นลูกแกะเพื่อเป็นเครื่องถวายบูชาให้กับพระเจ้าในพระภีบอกไว้ว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดจะถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราคือทางองค์พระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้น ถ้าเราศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของหลักการของศาสนาทุกศาสนาสิ่งที่ทุกศาสนาสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเราเรียนหนังสือในระดับประถมมัธยมหรือชั้นไหนก็ตามเราจะรู้ว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเพื่อให้พระเจ้านั้นพอพระทยัยแต่ไม่มีหลักประกันสิ่งเหล่านี้ไม่มีหลักประกันว่าเราจะได้ไปสวรรค์และโดยหลักการในทุกศาสนาก็ไม่ได้มีหลักประกันว่าเมื่อ เราเป็นคนดีแล้วเนี่ยเราจะได้ไปสวรรค์หรือการที่เราทําตามบัญญัติตามศาสนาอย่างครบถ้วนทุประการแล้วเราจะได้ไปสวรรค์เป็นเพียงความหวังที่เราตั้งไว้ว่าเมื่อเราได้ทําตามบัญญัติเราได้เรียนรู้ในการที่จะทําสิ่งดีๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราเนี่ยนาพาเราไปสู่แผ่นดินของพระเจ้าการที่เรามีศาสนาก็ ยังดีกว่าใช่ไหมครับยังดีที่เรามีาศาสนามีสิ่งที่ให้เรายึดเหนี่ยวจิตใจเพราะช่วยให้เราในการที่จะเรียนรู้ในการทำความดีเป็นคนดีไม่ทำให้สังคมวุ่นวายไม่กระทำความชั่วแต่หลักประกันของการได้ครอบครองแผ่นดินสวรรค์นั้นไม่อาจใช้ในหลักการของการทำความดีได้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลท่านบอกว่าในเรื่องของทาบัญญัตินั้นท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ท่านเข้าสุนัตท่านอยู่ในฟาลิสีและท่านคมเหงพระเจ้าเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าในเรื่องเหล่านี้โอ้โหท่านทำมาหมดแล้วทำบัญญัติทุกอย่างท่านก็ทำมาไม่มีข้อบกพร่องแม้แต่นิดแต่เมื่อท่านได้มาเห็นกับพระเจ้าได้มารู้จักกับพระเจ้าท่านกลับเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นที่ท่านเคยทำมาล้วนเป็นแค่อยากเยื่อล้วนเป็นแค่สิ่งที่เป็นเนื้อหนังเป็นสิ่งที่ไม่ได้ เลงถึงแผ่นดินของพระเจ้าอย่างแท้จริงแม้แต่ในพระบัญญัติประการที่พระเจ้าได้ทรงประดานให้กับชนชาติอิสราเอลและในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติไม่มีข้อไหนหรือตอนไหนที่พระเจ้าทรงตรัสว่าถ้าทําสําเร็จครบถ้วนแล้วจะได้ไปสวรรค์การกระทําความดีการกระทําตามบัญญัตินั้นทําให้เราได้รับพ่อนตามที่อยู่ในโลกนี้ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ห ข้อสได้กล่าวไว้ว่าท่านจงดำเนินตามวิถีทางทั้งสิ้นซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านได้ทรงบัญชาท่านไว้เพื่อท่านจะมีชีวิตอยู่และเพื่อท่านจะไปดีมาดีและมีชีวิตยืนนานอยู่ในแผ่นดินซึ่งท่านจะยึดครองนั้นเมื่อเราทําตามบัญญัตินะครับทําตามพระบัญญัติสิประการทําตามบทบัญญัติทําบัญญัติหรืออะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้พระเจ้าบอกว่า จะให้เรานั้นได้รับรพ่อรในโลกนี้เราจะไปดีมาดีและเราจะมีชีวิตอยู่และมีชีวิตที่ยืนนานอยู่ในแผ่นดินซึ่งท่านยึดครองนั้นเพราะฉะนั้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้ไม่ได้หมายรวมว่าเราทุกคนเนี่ยจะได้การยอมรับหรือการต้อนรับในอาณาจักรของสวรรค์การเข้าในแผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า และเป็นไปตามการเลือกสรรของพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นเศรษฐีคนหนึ่งที่มาหาพระเยซูและหวังว่าวิธีการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยนะครับเป็นชีวิตที่ไม่บกพร่องเช่นกันเหมือนอาจารย์เปาโลเลยเป็นชีวิตที่อยู่ในบัญญัติทุกข้อเขาถือรักษาได้ทุกข้อเลยนะครับตั้งแต่เด็กทำมาอย่างต่อเนื่องอย่างเคร่งครัดและพระเยซูก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า เขาจะไดแ้แผ่นดินสวรรค์เมื่อพระเยซูได้ตรัสกับเศรษฐีคนนั้นว่าท่านยังขาดสิ่งหนึ่งคือท่านจงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาท่านจึงจะมีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเราแต่เมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นเขาก็เป็นทุกข์ยิ่งนักเพราะเขาเป็นคนมั่งมีมากเมื่อพระเยซูทรงเห็นเขามีอาการอย่างนั้นพระองค์จึงตรัสว่า คนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าก็ยากจริงนะเพราะว่าตัวอูดจะลอดรูเข็มก็ยังง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเพราะฉะนั้นีในชีวิตของเราการที่เรามีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าการที่เรามีโอกาสได้ถวายกับพระเจ้าหลายครั้งที่เราเห็นว่าการมอบถวายกับพระเจ้ายกตัวอย่างง่ายๆเช่นสิบถ แรกๆเราอาจจะมีเงินเดือนน้อยใช่ไหมครับมีคริสเตียนหลายๆคนที่โอ้ถวายสิบรถได้เลยถวายสิบรถให้พระเจ้าสิบชักหนึ่งง่ายๆแรกๆสมัยนั้นเงินเดือนอาจจะน้อยห้าหกพันสิบชักหนึ่งก็ห้าร้อยหร้อยแต่พอเงินเดือนมากขึ้นเงินเดือนหลักหมื่นต้องถวายสิบรถเป็นหลักพันโอ้เงินเดือนหลักแสนต้องถวายสิบรถเป็นหลักหมื่นเหอันนี้เป็นการให้พระเจ้าเป่าเป่าเป็นการถวายให้คริสตจากถวายให้ ใครก็ตามที่ที่เรานำสิบรถนี้ไปถวายหลายครั้งทําให้คริสเตียนรู้สึกว่าโอ้จริงๆแล้วสิบรถเนี่ยถ้าเรานํามาใช้ในชีวิตประจำวันโอ้เราใช้ใช้จ่ายหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้มากมายแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าตัดไว้ในมารคีใช่ไหมครับว่าพระเจ้าท้าหรือลองให้เราดูในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าพระเจ้าจะเปิดบัญชรทองฟ้าสวรรค์เมื่อเราสัตซื่อกับพระเจ้าหลายครั้งที่เราให้โดยความเสียดาย หลายครั้งที่เราบอกว่าสิบรถของเราให้ไป โ, โหมันเป็นเรื่องที่เหมือนเยอะนะเงินเดือนของเราหลักหมื่นแต่เราให้พระเจ้าในหลักพันใช่ไหมครับแต่หลายท่านอาจจะถวายมากกว่านั้นก็ตามแต่เหมือนที่ผมเคยยกตัวอย่างง่ายๆมันมีพระเจ้าเยอะหลอกลวงลอ่อลวงเยอะเดี๋ยวนี้ยพระเจ้าบิ๊กซีพระเจ้าโรตัศพระเจ้าโรบินสันนะครับแม้กระทั่งเซเว่นนะครับอะไรพวกเนี้ยบางทีเราต้องจ่ายสิ่งเหล่านี้หลัก ซื้อของห้าพันให้โดยไม่ต้องคิดอะไรมากจ่ายนะครับซื้อของหลักหมืน่นโอ้ลูดก่อนยังไม่มีเงินลูดเดี๋ยวค่อยเคลียร์เดี๋ยวค่อยจ่ายได้ไม่มีปัญหาแทบไม่คิดอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คิดว่าก็เรานำไปใช้ประโยชน์แต่พอจะถวายให้กับพระเจ้าโอ้หลวงออกมาพอเจอสีอะไรที่เราไม่พึงประสงค์ปุ๊บเราจะรีบเก็บเข้าไปทันทีแล้วเราจะนาสีที่เราพึงประสงค์จะถวายนั้น ลวงออกมาใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายๆที่บางทีเราเราเห็นว่าโดยกําลังของมนุษย์เราเนี่ยทุกคนเลยนะครับมนุษย์เรามีความบกพร่องไม่มีคนใดในโลกนี้ที่สมบูรณ์แบบสําหรับอาณาจักรในสวรรค์ในโรมบทที่สามข้อยี่บสามกล่าวไว้ชัดเจนว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเราทุกคนซึ่งมีความเป็นมนุษย์มีความบกพร่องต่างๆไม่ใช่เป็นในความคิดหลายท่านอาจจะมีความคิดที่ อาจจะยังมีความอิจฉาอาจจะยังมีความคิดหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ดีกับเพื่อนบ้านมีทัศนคติที่ยังอยู่ห่างไกลกับแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าอย่างมากหลายครั้งที่ถ้อยคําและการกระทําของเรามักจะตรงข้ามกับชาวสวรรค์ชาวแผ่นดินสวรรค์คุณลักษณะสําคัญเหล่านี้ของชาวสวรรค์ก็คือมุ่งทําตามน้ําประทานของพระเจ้ามากกว่าทําตามใจปรารถนาของตัวเราเอง เช่นเรามีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะครับอาจทําให้เราห่างไกลกับพระเจ้าอาจทําให้เราห่างไกลจากแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้ามากขึ้นก็ได้เพราะเราจะใช้ทรัพย์สินเงินทองนั้นตอบสนองในฝ่ายเนื้อหนังตอบสนองในฝ่ายโลกซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยเป็นสิ่งที่พระเจ้าเห็นว่ามนุษย์เราหลายคนที่ตอบสนองเพื่อความหยิ่งความอวดตัวและถือตัวเป็นใหญ่ การถือปฏิบัติศาสนาจึงถือเป็นเพียงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพิธีกรรมการมาโบทก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาอยู่แล้วในวันอาทิตย์มาฟังเทศมารับประบานของพระเจ้ามาร้องเพลงแต่พอกลับไปเราก็ยังดำเนินชีวิตในฝ่ายโลกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแท้จริงพระเจ้าต้องการพิสูจน์เราที่จิตใจและการกระทาในสิ่งเหล่านี้พระเจ้าพร้อม จ ร, จริงพระองค์พร้อมในการที่จะต้อนรับเราทุกคนในแผ่นดินสวรรค์นในพระเจ้าการมของเจ้าบอกไว้ว่าพระองค์ทรงมีที่มากมายสําหรับเราทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีที่เหล่านี้เราก็คงมาบอกแก่ท่านแล้วพระเจ้าประทานพระเยซูคริสต์พระองค์ทร ง, งเป็นพระเมสโปดกเป็นลูกแกะที่พระเจ้าทรงกระทําพระองค์เองให้มีบาปเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาโดยการสิ้นมชนบนไม้กางเขนเพื่อชําระล้างบาปผิดของเราและอภัยความผิดบาปให้กับมนุษย์ ดังนั้นในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ยืนยั น, อ ย, น, นอย่างหนักแน่นว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นความรอดที่มนุษย์จะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับพระเจ้าและพระเมสสโบดก ค, คือองค์พระเยซูคริสเท่านั้นและในกิจการบทที่ 4: ี่ข้อสิได้ยืนยันชัดเจนนะครับในคริสจักรก็ยอมรับความจริงข้อนี้ว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่าน้ำอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ ทั่วใต้ฟ้าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่าน้มอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าเพราะฉะนั้นองค์พระเยซูคริสทรงเป็นทางไปสู่พระบิดาสิ่งเหล่านี้และพระวจนะธรรมของเจ้าตอนนี้ยืนยันว่าความรอดนั้นขึ้นอยู่กับพระเจ้าและพระเจ้าทรงประทานความรอดนั้นผ่านทางพระเยซูคริส เมื่อเราไม่มีความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ทุกอย่างก็เหมือนจบทุกอย่างเหมือนไม่มีสิ่งที่สมบูรณ์เกิดขึ้นเพราะเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เราเชื่อว่าพระองค์ทรงมาบังเกิดบนโลกนี้พระองค์ทรงเป็นมนุษย์แท้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้พระองค์ทรงสิ้นมชนบนไม้กางเขนและพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนี่เป็นสิ่งที่เราต้องยืนยันหนักแน่นว่าสิ่งเหล่านี้แหละ เป็นสิ่งที่เป็นความจริงในชีวิตของเราและเป็นสิ่งที่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้และให้สิ่ง น, นี้เกิดขึ้นในใจของเราคือให้เราเชื่อและมั่นใจและพึงละลึกอยู่เสมอว่าพระอิศวริษพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ไม่ได้ตายแล้วแล้วพระองค์ก็อยู่ในอุโมงหรือพระองค์าตายไปแล้วแล้วพระองค์สิ้นมชนไปแล้วพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ก็อยู่บนสวรรค์เพียงเท่านั้นแต่ให้พระเจ้านั้น ที่คืนพระชนแล้วให้อยู่ในใจของเราทุกคนด้วยในประการที่สองผู้ที่ได้รับความรอดได้รับการชาระล้างโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ผู้ที่รับความรอดได้รับการชําระล้างโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์จากพระวธรรมที่เราได้อ่านสลับกันไปเมื่อสักครู่นะครับในพระธรรมโรมบทที่5เราก็มีก็มีโอกาสได้อ่านไปนะครับว่าการที่เราได้ ในข้อที่9นะครับเพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธร ร, ร, ร, ร, รมรนนรนนแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระอาชญาของพระเจ้าโดยพระองค์เพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมเราทุกคนเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์อันนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระอิศุคริตได้กระทํากับเราในข้อที่สิบห้าท่านเจ้าข้าท่านก็ทราบอยู่แล้วท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่า คนเหล่านี้คือคนที่มาจากความทุกข์เวทนาครั้งใหญ่พวกเขาได้ชําระชําระล้างเสื้อผ้าของเขาในพระโลหิตของพระเมสโบโดกจนเสื้อผ้านั้นขาวสะอาดเป็นการยากใช่ไหมครับที่จะทําให้เลือดเนี่ยทำให้ผ้าขาวสะอาดได้แน่นอนว่าเมื่อเลือดโดนเสื้อผ้าของเราเนี่ยมันก็ต้องเป็นสีแดงใช่ไหมครับ แต่ถ้อยคําที่เราพบในพระคัมภีร์และการที่พระเจ้าทรงกระทําผ่านทางชีวิตของเราและผ่านทางความตายของอ ง, องค์พระเยซูคริสต์เพื่อให้เรานั้นเป็นคนสะอาดบริสุทธิ์และชอบธรรมต่อพระพักของพระเจ้าล้วนเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากไม่สามารถที่จะอธิบายด้วยหลักการของวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะอธิบายด้วยประสบการณ์ของมนุษย์ และประสบการณ์ของมนุษย์เองก็ไม่อาจที่จะเชื่อมสิ่งเหล่านี้ให้เรารู้ว่านี่เป็นประสบการณ์การชำระล้างโดยพระโลหิตของปรีสุคริตได้เลยเราตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ถ้าเราเกิดหรืออยู่ในยุคนั้นใช่ไมครับเราอาจจะพอมองเห็นภาพออกในช่วงที่พรยสุคริตสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเราเห็นพระโลหิตของพระองค์หลั่งไหลลงมาแล้วเพราะพระโลหิตนั่นเองที่ ได้ชำระล้างความบาปของเราที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ให้เป็นผู้สะอาดและเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เพื่อต้อนรับเราเข้าสู่ในอาณาจักรแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าสิ่งเดียวที่เราทําได้คือเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์และเชื่อว่าพระองค์ทรงช่วยให้เรานั้นมีชีวิตที่เป็นที่พอพระได้ของพระเจ้าได้ถ้าเราพิจารณานะครับในเรื่องของพระโลหิตในพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงเลือดไว้ว่า เลือดนั้นก็คือชีวิตนะครับในประดมการบทที่เ้าข้อที่4และเลือดเป็นหมายสำคัญแห่งการปลดปล่อยที่ชนชาติอิสราเอลได้รับเมื่อพระเจ้าทรงปลดปล่อยพวกเขาออกจากการเป็นทาสที่อียิปต์ด้วยพิธีปัสกาในอพยพบที่12ข้อ13ได้บอกไว้ว่าแต่เลือดที่บ้านที่เจ้าทั้งหลายอยู่นั้นจะเป็นหมายสำคัญสาหรับเจ้าเมื่อเราเห็นเลือดนั้น เราจะผ่านเว้นเจ้าทั้งหลายไปจะไม่มีภัยพิบัติบังเกิดแก่เจ้าขณะที่เราประหารชาวอียิปต์และท่านอาจจะจำได้ในเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติสิประการที่เกิดขึ้นในช่วงยุคสมัยนั้นนะครับมีภัยพิบัติภัยพิบัติหนึ่งนะครับเป็นภัยพิบัติความมืดที่เมื่อเรานำเลือดนะครับมาป้ายที่ประตูบ้านในพระราชานธรตอนนี้ นะครับในพฐนาในอพยบ่อยว่าพระเจ้าจะเว้นผ่านบ้านหลังนั้นไปพระสุคริตทรงตัดไว้ก่อนที่พระองค์จะทรงถูกตรึงที่กลางเขนเมื่อพระองค์ทรงร่วมปัสกากับสาวกและทรงตั้งพิธีมหาสนิทขึ้นเพื่อให้พระสัญญาของพระเจ้าเป็นความจริงสําหรับเราทุกคนว่าในระหว่างมือนั้นพระสุคริตได้ทรงหยิบขนมปังมาและเมื่อถวายสาธุการแล้วทรงหัก ส่งให้กับเหล่าสาวกและจัดว่านี่เป็นกายของเราแล้วพระองค์จึงหยิบถ้วยด้วยอาการโมทนาพระคุณและส่งให้เขาและจัดว่าจงรับไปและดื่มเถิดด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งต้องหลั่งออกมาเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมากในมัทธิวบทที่บเพราะฉะนั้น โดยทางความเชื่อในทางพริเศตแล้วทำให้โลหิตของพริเศตที่พระองค์ทรงหลัง่งลงบนไม้กางเขนเนี่ยเป็นโลหิตแห่งพระสัญญาของพระเจ้าเป็นความจริงสำหรับเราที่เราจะได้รับการชำระล้างให้สะอาดและบริสุทธิ์ในโรมบทที่3ข้อที่21ถึงข้อที่26ได้กล่าวไว้ว่าแต่บัดนี้ได้ปรากฏแล้วว่าความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือกฎบัญญัติ ความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือกฎบัญญัติเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำตามบทบัญญัติเราก็เหมือนที่ยกตัวอย่างไปว่าเราก็ได้รับแผ่นดินโลกได้รับสิ่งเหล่านั้นครอบครองแต่ความชอบธรรมของพระเจ้านั้นนอกเหนือกฎบัญญัติทำบัญญัติกับพวกผู้เผยเพราะฉะนั้นเป็นพยานอยู่คือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูแก่ทุกคนที่เชื่อ เพราะว่าคนทั้งหลายไม่ต่างกันเพราะว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระเสิ็จของพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสตท์ทรงถ่ายเขาให้พ้นจากบาปแล้วพระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์โดยความเชื่อจึงได้ผลทั้งนี้เพื่อสําแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้า ในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นบไทยและทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้นและเพื่อจะสำแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมและโปรดให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วยเพราะฉะนั้นเราทุกคนเชื่อและวางใจเหมือนกับบทเพลงที่เราได้ร้องไปที่กลางเขนที่กลางเขนเรามองเห็นความสว่างภาระความหนักใจ สิ่งต่างๆที่เราแบกทุกอย่างมันมันได้ลดหายมันได้รับการแบ่งเบามันได้รับการช่วยแบกจำได้ว่าเมื่อผมเทศนาครั้งก่อนที่ที่ที่นี่ได้ยกตัวอย่างเรื่องของการแบกกางเขนหลายครั้งที่เราเห็นว่าภาระของเราหนักใช่ไหมครับภาระของเราหนักและเราคิดว่าของคนอื่นคงจะเบากว่าเราเราก็เลยทิ้งกางเขนของเราแล้วไปลองแบกกางเขนของคนอื่นดู เพราะกางเขนของคนอื่นนั้นโอ้มันสวยมากมันเป็นทองมันเป็นไม้ที่แกะสลักสวยมันเป็นเงินมันเป็นอะไรต่างเราพยายามไปแบกของคนอื่นแต่ของคนอื่นกลับกลายเป็นไงครับหนักกว่าของเราอีกเราก็วางของคนอื่นลงไม่เอาละของคนนี้ไม่เอาสวยก็จริงแต่หนักไม่เอาคนนั้นก็ไม่เอาสุดท้ายไปเจออันเดิมไปเจอของตัวเองยกขึ้นมาแบก แบกป๊บโอ้อันนี้เบาพอมาดูอ้าวกลางเขีนของเราเองซึ่งเราทิ้งวางไว้ซึ่งตอนแรกเราคิดว่ามันหนักมากแต่พระเจ้าได้มอบสิ่งเหล่านี้ให้กับเราในการที่จะให้เราแบกพระองค์บอกว่าแอกที่เรามอบให้กับเจ้านั้นเป็นแอกที่พอดีและพอเหมาะพระเจ้าทรงรู้ว่าเรามีความอดทนพระเจ้าทรงรู้ว่าเรามีกําลังและพระเจ้าทรงรู้ว่าเรามีสติปัญญาแค่ไหนพระองค์จะไม่ให้ปัญหาหรือสิ่เหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นกับเราหนัก มากกว่าที่เราจะทนได้ในพระบพีซึ่งบอกไว้ชัดเจนว่าบนโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจหรือชื่นชมยินดีเถิดเพราะเราได้ชนะโลกนี้แล้วพี่สุคฤตได้ชนะไม่กระทั่งความตายเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถูกเรียกว่าบุตรของพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ชนะถึงความตายบนไมก้กางเขนสิ่งเหล่านี้บนโลกไม่มีสิ่งไหนที่เราจะต้องกลัวอีกต่อไป เมื่อเราได้อยู่ในทางของพระเจ้าและเราได้เชื่ออย่างสุดใจว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเราก็พร้อมในการที่จะประกาศสิ่งเหล่านี้ให้กับอีกหลายหลายคนเช่นกันนะครับหลายคนที่นำจิตวิญญาณ น, นำดวงวิญญาณที่หลงหายไปหรือยังไม่รู้จักกับพระเจ้าได้เข้ามาขอบคุณพระเจ้าในทุกๆครั้งที่เราปรกาศได้ต้อนรับสมาชิก ต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเราขอบคุณพระเจ้าในทุกครั้งที่เราเห็นว่ามีสมาชิกมาเยี่ยมเยียนมีจากที่อื่นหรือแม้กระทั่งมีคริสเตียนที่เกิดขึ้นใหม่มีผู้รับเชื่อใหม่สิ่งเหล่านี้ทําให้เราเห็นว่าพระเจ้ากําลังทํางานของพระองค์หลายครั้งที่เรามีโอกาสได้หวานแต่ละคนอาจจะมีโอกาสเพียงแค่ได้หวานได้หวานได้หวานเหมือนผมทํางานในโรงเรียนมีโอกาสได้หวานโอกาสเก็บเกี่ยวก็อยู่ในช่วงของเวลา ว่าพระเจ้าพระองค์ทรงมีเวลาขอ ง, รงพระองค์พระองค์งทำงานของพระองค์ไปเรื่อยๆนะครับ <_ C 1> เราหว่านเราหว่านเราคิดว่าคนเนี้ยน่าจะเกิดผลละคนนี้ยเดี๋ยวต้องมารับเชื่อพระเจ้าแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้กลายเป็นคนอื่นที่ซึ่งเราเบี้ยวกัดได้หว่านคนนั้นก็ได้เพียงแต่นั่งฟังนั่งฟังไปเรื่อยๆ <_ C 1> แต่พอถึงช่วงที่พระเจ้าทํางานพระองค์รู้ว่าคนไหนที่สามารถที่จะเกิดผลและสามารถที่จะเติบโตต่อไปและสามารถที่จะแตกเซลล์ ในการที่เขาจะนําอีกหลายๆจิตวิญญาณนั้นมารู้จักกับพระเจ้าพระงทร ง, งรู้และพระองค์ทรงมีแผนการพระองค์ทรงมีเวลาของพระองค์บางทีเราไปเร่งเวลาของพระเจ้ามากเกินไปเร่งเวลาว่าอุปกาศไปแล้วทำไมไม่มีคนมาเชื่อสักทีนะครับหลายครั้งที่เราในโรงเรียนก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าโรงเรียนจะมีสิ่งหนึ่งคือเราต้องเรามีตัวชี้วัดใช่ไหมครับเวลาเราทํางานอะไรเรามีโครงการอะไรสิ่งที่จะต้องตอบสนองคือเราต้องมีตัวชี้วัด มีตัวชี้วัด ต, ตอบสนองว่า 80% ของผู้เรียนต้องได้อย่างนี้อย่างนี้ 90% ของผู้เรียนต้องเป็นอย่างนี้อย่างนางนี้อะไรต่างๆหลายครั้งที่เราทําเพื่อตอบสนองว่าโอ้ยมันต้องผ่านตัวชี้วัดมันต้องผ่าน 80% มันต้องโครงการนี้ต้องสําเร็จเกิน 90% ตามที่เราวางไว้หรือบางทีนี่แหละครับเราไปเร่งเวลาของพระเจ้าโอ้เราประกาศไปทําไมไม่เห็นมีใครมาเชื่อพระเจ้าสักทีพระเจ้าทําไมไม่ทํางานสักที หลายครั้งที่เราเร่งเวลาของพระเจ้าพระองค์ทรงมีเวลาของพระองค์พระองค์รู้ว่าในช่วงเวลาหนึ่งที่คนนี้ได้ฟังกับพระธรรมของพระเจ้าแล้วเขาจะเชื่อเขาจะวางใจเขาจะอธิษฐานเขาจะเกิดผลแน่นอนว่าเรื่องของศาสนาเป็นแค่เรื่องของสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนศาสนาแต่ในจิตใจนี่คือให้กับพระเจ้าหมดแล้วก็มีเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านมีโอกาสที่จะได้หว่าน และส่วนของการเกิดผลนั้นเป็นเรื่องของพระเจ้าในประการที่สมประการสุดท้ายผลการชำระล้างโดยพระโลหิตทําให้เรามีชีวิตบริสุทธิ์และดำเนินชีวิตเพื่อมุ่งไปสู่แผ่นดินของพระเจ้าผลการชำระล้างโดยพระโลหิตทําให้เราบริสุทธิ์และดำเนินชีวิตเพื่อมุ่งไปสู่แผ่นดินของพระเจ้าในข้อที่สิบถึงข้อที่สิบเดี่ถึงข้อที่ิบ ตอบท่านว่าท่านก็ทราบอยู่แล้วท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่าคนเหล่านี้คือคนที่มาจากความทุกเวทนาครั้งใหญ่พวกเขาได้ชําระล้างเสื้อผ้าของเขาในโลหิตของพระเมสสโปรดกจนเสื้อผ้านั้นขาวสะอาดเพราะเหตุนั้นเขาทั้งหลายจึงได้อยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้าและปริบัติพระองค์ในพระวิหารของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนและพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะทรงสถิตด้วยและปกป้องคุ้มครองเขาพวกเขาจะไม่หิวกระหายอีกเลย แสงแดดและความร้อนจะไม่ส่องต้องเขาอีกต่อไปเพราะว่าพระเมสสโปรดผู้ทรงอยู่กลางพื้นที่นั่งนั้นจะคุ้มครองดูแลเขาและจะทรงนำเขาไปให้ถึงน้ำพุแห่งชีวิตและพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาเหล่านั้นพระสุคริตตัตดว่าพระองค์ทรงอภัยบาปโทษของเราโดยความตายบนไม้กางเกงของพระสุคริตขณะเดียวกันเราก็ดำเนินชีวิตในโลกนี้ ทำอย่างไรที่เราจะต้องรักษาชีวิตของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์ความชอบธรรมที่เราได้รับจากพระเจ้านั้นให้เราที่จะนำชีวิตของเราไปจนถึงแผ่นดินของพระเจ้าในในที่สุดทั้งหมดนี้เป็นโดยการช่วยเหลือจากพระเจ้าทั้งสิน้นภายหลังที่พรีสุคฤตพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราได้บังเกิดใหม่ให้เราได้รับความรอด พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำเราในการดำเนินชีวิตคริสเตียนทุกคนจำเป็นจะต้องชำระด้วยน้ำและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และดำเนินชีวิตที่จะแสดงผลแห่งการบังเกิดใหม่เพื่อเป็นชีวิตที่พอพระทัยของพระเจ้าในยอห์นบทที่สมข้อที่5ได้กล่าวไว้ตตว่าพระเยซูคริสต์ตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่บังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าไม่ได้จากพระคัมภีร์ตอนนี้ นะครับแสดงให้เห็นถึงว่าคริสเตียนเราบางทีต้องผ่านความทุกยากลำบากต่างๆบนโลกนี้โดยต้องอาศัยความเชื่ออย่างแท้จริงหลายครั้งที่คริสเตียนเราสงสัยเคยมีหนังสือเล่มหนึ่งที่บอกบอกไว้ว่ามีคริสเตียนคนหนึ่งรู้สึกว่าไหนบอกว่าพระเจ้ารักเราแล้วทำให้ทหําไมพระเจ้าให้เกิดปัญหาต่างๆพระเจ้าให้เกิด การทดลองต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตวันหนึ่งเขาก็เดินไปในสวนองุ่นนะครับไปในสวนองุ่นเขาเห็นต้นองุ่นเยอะแยะมากมายเห็นกิ่งต่างๆแตกออกนะครับนะเห็นใบเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่ไม่มีผลเขาก็แปลกใจเขาก็เดินไปแล้วเขาก็ดูเพ่งเข้าไปดูในใบในต้นจริงๆปรากฏว่าบางใบเป็นใบที่เหี่ยว บางใบเป็นใบที่มีหนอนกัดจนเป็นรูและมีใบที่เหี่ยวแห้งตกอยู่เต็มไปหมดต่างๆนะครับแล้วเขาก็ได้นึกถึงพระธรรมของเจ้าษษษษษษษตอนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเถาอัลย์องุนเป็นเรื่องที่พระสุคริตกำลังสอนเขาเมื่อเขากำลังเดินไปแสดงว่าในสวนอังุนเนี้ยไม่มีผู้ดูแลไม่มีใครดูแลเพราะว่าถ้าดูแลสวนอังุนแห่งเนี้ย จะต้องมีลูกเกิดขึ้นเพราะว่าอังุนจะเกิดผลได้ต้องผ่านการลิดการถอนการทําสิ่งต่างๆที่จะให้เกิดขึ้นในที่สุดซึ่งสิ่งเหล่านี้พระสุคริตได้เปรียบเทียบเป็นคําอุปมาว่าเหมือนชีวิตของเราเราจะต้องเจอการทดลองเราจะต้องได้รับการลิดเราต้องได้รับการตัดกิ่งไหนที่ไม่เกิดผลพระองค์ก็ทรง ถอนทิ้งเสียและนําไปเผาไฟเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งไหนไม่เกิดผลพระองค์จะเป็นต้องตัดแต่เมื่อเราดําเนินชีวิตอยู่นั้นสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราเกิดผลและพระองค์เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยพระองค์กําลังจะให้เราได้รับการริดการถอนเพื่อให้เราที่จะเกิดผลในที่สุดความทุกข์ยากลําบากที่เกิดขึ้นกับคริเสเตียนนั้นประชิญตั้งแต่ยุคเริ่มแรก จนถึงยุคที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาคือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในการดําเนินชีวิตเป็นการต่อสู้ความต้องการฝ่ายเนื้อหนังเพื่อที่จะให้จิตวิญญาณนั้นบริสุทธิ์คริสเตียนเริ่มต้นชีวิตในการที่จะดําเนินไปกับพระเจ้าโดยมีพระสัญญาแห่งการชําระแห่งการไถ่โทษและการทรงนำเพื่อตอบสนองต่อน้ำพระทัยของพระเจ้านับตั้งแต่เราเริ่มรับบัพติศมาหลายครั้งที่เราเห็นคริสเตียนที่ เพิ่งดับเชื่อใหม่หลงหายไปจากพระเจ้าเพราะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เราคิดว่าโอ้เมื่อมาเป็นคริสเตียนเราจะต้องได้รับการตอบสนองที่ดีเราจะต้องได้รับสิ่งที่ดีแต่บางทีการเข้ามาเชื่อเข้าวางใจในพระเจ้าบางทีเราเจอปัญหาเจอสิ่งที่เป็นการทดลองมากกว่าอีกหลายๆคนเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่เราต้องดําเนินชีวิตต่อสู้กับฝ่ายเนื้อนหนังและอํานาจบาป ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นวิถีแห่งไม้กางเขนที่เราจำเป็นจะต้องแบกไปในมัทธิวบทที่5ในข้อที่11และข้อที่12ได้บอกว่าเมื่อเขาจะติเตียนขมเหงและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุขจงชื่นชมยินดีเพราะว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์ เพราะเขาได้ข like so hm. ่มเหงผู้เผยพระวจนะทั้งหลายที่อยู <Hope> ่ก <afood> ่อนท่านเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามเราผู้ที่เชื่อในพระเจ้าการข่มเหงการทดลองต่างๆจะเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นกับผู้รับใช้พระเจ้าผู้เผยพระวจนะแม้กระทั่งอัครทูตที่ติดตามพระเจ้าก็ตามสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาก่อนหน้าแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าในยุคปัจจุบันเราจะเจอการทดลองเราจะเจอการข่มเหงแต่สิ่งเหล่านี้ เพื่อให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสําเร็จในชีวิตของเราเช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงเสียสละยกโทษให้อภัยแบ่งปันและแสดงความรักด้วยการกระทําและตระหนักสํานึกในการมุ่งดําเนินชีวิตให้พระเจ้าที่จะได้รับเกียรติเสมอไม่ใช่ทําให้ตัวเองยิ่งใหญ่และได้รับเกียรติและได้เกียรติยศชื่อเสียงแต่มุ่งทําให้พระประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จในแผ่นดินสวรรค์เราได้รับอย่างไร เราก็จะกระทําสิ่งนั้นที่จะปรากฏในโลกนี้ด้วยการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระสุคริตเราอาจจะไม่สมบูรณ์แบบที่จะทําสิ่งเหล่านี้ให้เป็นที่พอพร ะ, พระทัยของพระเจ้าได้แต่พระเจ้าพร่งท ร, งทรงประทานพระรยามบริสุทธิ์เพื่อให้เราดำเนินชีวิตไปตามพระประสงค์ด้วยการดำเนินชีวิตตามพระพักของพระเจ้ารับการทรงสถิตรับการทรงปกป้องและรับการทรงนา เพื่อปฏิบัติรับใช้ด้วยความชื่นชมยินดีในของประธานที่ประทานมาจากเบื้องบนด้วยใจขอบพระคุณแม้จะทุกยากลําบากในโลกนี้แต่พระเจ้าจะทรงดูแลเราทุกคนนําความชื่นชมยินดีและความหวังใจมาสู่ทุกท่านตลอดไปขอบพระเจ้าที่ทรงโปรดอวยพรและเสริมกําลังทุกท่านในการที่เราจะก้าวต่อไปเพื่อให้แผ่นดินของพระเจ้านั้นที่จะขยายกว้างออกไปและเราเชื่อว่าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้านั้นพร้อมสําหรับชีวิตของเราทุกคน ขอให้เราเชื่อและ ว, วางใจในพระเจ้าวางใจในพระเยซูคริสต์อย่างสุดใจและมั่นใจว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและให้พระองค์นั้นได้บังเกิดในใจเราสิ้นประชนในใจเราและฟื้นคืนวระชนในใจเราขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกท่านครับ